การภาวนาเบื้องต้นท่านจึงเน้นหนั ก, กว่าสติต้องมาก่อนสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งจะคงจะเกิดประโยชน์มหาศาลคือการก้าวไปเดินกับอุตติอยู่ในร้านอยู่ตามลำพังบินทวบาทเดินบินทบาทอย่าไปคุยกันไม่ใช่เราเดินไปขอทานเราเดินบินทบาทตามอริยประเพณีตามพุทธานุญาต เพราะนั้นเราเดินไปกับบริกรรมพุทธโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธเหมือนเดินอย่าง ก, กลมไปให้มีสติเวลาเดินเข้าไปในบ้านรับอาหารจากอญาติโยมเขาใส่บาตรกับบริกรรมพุทธโธพุธโทโธพุธโทพธโธไปเรื่อยให้มีสติอยู่ตลอดอันนี้แหละคือการภาวนาคือพยายามไม่ให้มันเผลอถ้าทําได้อย่างนี้นี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจก็จะได้รับความ พรมเย็นผาสุกอารมณ์กิเลส ท, ทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาตีชิงแย่งเกาอีกคือใจของเราเพราะใจของเรามีธรรมะเข้าไปบัญชาใจของเรา ม, มีธรรมะเข้าไปนั่งบัญชาอยู่แล้วกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานั่งบัญชาจิตใจของเรจะไม่คิดปรุงฟุ้งซ่านไปทางโลกทางสงสารกิเลสตัณหามานาทิติอะไรจะเข้ามาไม่ได้เพราะธรรมะอยู่ในจิตใจของเรา เพ่านนพวกเราต้องพยายามนะพยายามทำสติให้อยู่กับตัวเองผมเชื่อมั่นในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าปฏิบัติถูกที่ถูกทางแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นสติจะสมบูรณ์ขึ้นที่สุดคนมีสติแล้วจะวิปลิตไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ถ้าคนมีสติอันนี้บางครั้งหมู่พกเพื่อน ได้ศึกษาจากตำรับตำรามาจากที่อื่นบางทีก็เอานำมาใช้ขณะที่บวชมากับคิดปรุงฟุง้งส่งออกไปข้างนอกเพื่ออยากจะได้ีอภินิหารมีพลังมีอะไรที่เขาเขียนในตำรับตำรา เ, าเขาเขียนตามตำร า, าศาสนาอื่นบงังอะไรบงังคือสีสีพลายบางัง แต่นี้เราก็นำมามาคิดมาปรุงแล้วก็ส่งจิตออกไปข้างนอกผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เขามาศึกษาในวัดของผมนะต้องเชื่อฟังคำของผมที่ผมแนะนำว่าอย่างไรถ้าหากว่าพวกท่านจะออกไปจากที่นี่แล้วพวกท่านจะทำยังไงก็สุดแท้แต่แต่ถ้าหากว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเอา ที่อื่นมาบริกรรมหรือเอาที่อื่นมาปฏิบัติถ้าหาว่ามันเสียหายเกิดขึ้นก็จะว่าผมสอนไม่ถูกที่ถูกทางไม่ได้นะแต่ผมสอนสอนตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาที่ผมได้รับการอบรมมาเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องฟังถ้าากว่าพวกท่านอยากอยากจะปฏิบัติอย่างไร ในแนวแถวในคำบริกรรมหรือแนวปฏิบัติหรื อ, อวิธีการปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายอยากจะปฏิบัติอย่างไรที่ออกนอกแถวที่ผมได้สั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากเทศจากหนังสือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นและพวกท่านอยากจะปฏิบัติให้มาถามผมก่อนบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหม ถูกไหมเอ่หเพียงพิจารณาอย่างนี้มันเป็นผลผลทางที่ดีไหมเอ่หนี่เกิดทิมิตอย่างนี้จิตใจสงบอย่างนี้แล้วเอ่หมันเป็นอย่างนี้จะทําอย่างไรเอ่อันนี้ให้พวกท่านถามไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วก็เอ่หปฏิบัติตามที่ตําราที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาเอ่หแล้วก็ไปเพ่งส่งจิตออกไปข้างนอกเอ่ห์ เพอเสียหลักเข้าไปแต่เป็นบ้าได้ไง่ายๆนะอะอันนั้นคือคพิปัสจุบนอุปกิเล์มันเคยมีเอมันเคยเป็นเคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็ขอเตือนย้ำพวกท่านทาั้งหลายแม้เมื่อมาอยู่ในสมณหรือมาฝึกปฏิบัติอในวัดของผมเนี่ยอให้ปฏิบัติตามที่ผมบอกกล่าวอให้สติอยู่กับพุทโธ พุทโธอยู่กับตัวเองกับลมหายใจเขาออกอหรือจะพิจารณาอะไรก็ได้อในออนุสติสิทธพุทโธธรรมโอสังโฆลมหายใจเข้าออกมารณานุสติอพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติมารณานุสติอออะไรอนุสติสิทธ แต่ยึดอะไรเป็นหลักแต่ผมเองหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําก็คือพุทโธเป็นหลักพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดินเถอะขาขวาพุทขาซ้ายโทให้มีสติ<ม>เวลานอนก็ให้มีสติกับตัวเองหรือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าจะนอนหลับอืมกําหนดพุทโธไปเรื่อยๆ อ, อ, อ, อย่าไป ห่วงหาอะไรเสียดายในความคิดเรื่องต่างๆตัดทิ้งทั้งหมดให้อยู่กับพุทโธอันนี้คือแนวแถวแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายออกไปนอกแถวแนวนี้แล้วบางทีพวกพวกท่านไม่เคยปฏิบัติอาจจะเสียหลักได้การเสียหลักมันเคยมีรู้เทั้งที่ว่าเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ส่งจิตออกไปนอกมันเป็นวิปัสสนาอุปกิเลส กิเลสเข้ามาแทนที่ส่งจิตออกนอกผมจะน่ากลัวมากสำหรับหมู่พวกเพื่อนหรือญาติโยมมาอะไรก็ตามภาวนาแล้วเวลาเห็นนิมิตแล้วส่งออกนอกถ้ามันจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมี เล็บมีฟันมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีตับไตมีไส้มีกระเพาะอาหารมีอุจจาลปัสวะอยู่ในท้องร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองเต็มไปหมดในร่างกายถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่มีจะไม่สวัสดจิตไม่สงนอกจะไม่หลงมิถการเกิดความรู้จริงเห็นจริงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่น อันนี้คือทางถูกต้องให้พิจารณาอย่างนี้แต่ร้างส่งไปดูเทวบุตรเทวดาอินพรหมแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับใจของเราถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับไฟฉายกระบอกหนึ่งไฟฉายกระบอกนี้เราสายเปิดสวิตซ์ตับ๊บหัวเทียนสองไปข้างนอกเมื่อไปเห็นต้นเสาโอ้นี่ต้นเสาไปเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นชัสาลาสิงเห็นแม่นาม้าเห็นทะเลเห็น เขาเห็นมนุษย์มานาเห็นหญิงเห็นชายมันไม่มีที่สิ้นสุดมองไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างไปเลยน ท, ที่สุดว่าตัวเองเป็นผู้เก่งก้าจสามารถว่าเห็นสิ่งต่างๆแต่พระพุทธศาสนาคําสอนของพระเจ้าครูบาอาจารย์น่ยท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่ออกไปเห็นต่างๆมันออกมาจากไหนย้อนมาที่หัวเทียนไฟฉายเนี่ยดับสวิตตับ สิ่งทั้งหลายออกมาจากที่นี่เองจบอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายออกมาจากใจของเราทั้งหมดใจของเราเป็นผู้คิดใจของเราเป็นคนปรุงใจของเราเป็นคนส่งออกไปมันก็เห็นสิ่งต่างๆถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้ตามความเป็นจริงกเนี่ยย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากที่นี่ทั้งหมดมันสายออกไปข้างนอกจากนั้นก่อนนี้เราจะรู้ได้นี่แหละทางครูบายจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วมันจะไม่ส่งออกนอกให้รู้อยู่ที่ใจเดี๋ยวนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรให้มีสติให้มีสติกํากับจิตถ้าจะส่งก็ส่งให้พิจารณ า, ายอยู่กายยนานครเลยให้พิจารณากายนะร่างกายสังขารแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปดูสิ ร่างกายมีอาการสามสิบสองเกษาผมเอากองผมไว้กองหนึ่งโลมาขนเอาขนไว้กองหนึ่งนขาเล็บเอาเล็บไว้กองหนึ่งทันตาฝันเอาถอดฟันไว้กองหนึ่งอตะโจหนังเอาถลกหนังไว้กองหนึ่งเนยมังสังเนื้อเอาเอาเนื้อทั้งหมดเอาไว้กองหนึ่งเนีเอ็นเอาไว้กองหนึ่งกระดูกเอาไว้กองหนึ่งม้ามเอาไว้กองหนึ่งกลับเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งไตก็ไว้หนึ่ง อหัวใจเอาไว้กองหนึ่งลำไส้เอาไว้กองหนึ่งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าอดีเสเลดหนองเลือดน้ำมันไขข้ออปัสสาวะสรุปแล้วก็คืออาการสามสิบสองอยู่ในร่างกายกองไว้เป็นอันละกองละกองแล้วกําหนดดูชื่อว่าผมเป็นเราใช่ไหม ขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมฟันเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมตามไี่จริงมันเป็นเราทั้งหมดอ่ะอยู่ในร่างกายมันเป็นเราถ้ามันเป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้อยู่ที่นั่งอยู่เลยนี่มันเป็นเราทั้งหมดแต่พอมันแยกออกไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนอันนั้นคือเล็บอันนั้นคือฟันอันนั้นอคือหนังอันนั้นคือเนื้ออันนั้นคือเอ็นอันนั้นคือกระดูกเอ่ไล่ไปเรื่อยมันนั้นเถอะเป็นกองกองอาการ32ในร่างกาย เป็นกองๆที่มารวมเข้าไปก็เป็นคนก็จิตวิญญาณเข้ามาคลองอีกอมาม่งการอีกในร่างกาย เ, เป็นเจ้าขี้เจ้าการอีกตามพิจารณาตามอย่างนี้เข้ามานั้นจิตใจของเราจะไม่หลงรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนเอนเป็นอยู่อย่างถึงเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันมีอยู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นอยู่ในนี้ แต่ใจของเราเข้ามาครองจิตของเราเข้ามาครองนามธรรมคือใจที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนั่ะเข้ามาครองมายึดมัน่นถือมั่นในร่างกายนะว่าเป็นตัวตนของเราเอผลที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันก็แก่มันก็เท่ามันก็ตายมันก็สลายสู่ดินน้ำลมไฟในร่างกายก็คือดีมีดินน้ำลมคือธาตุดินก็คือของแข็งธาตุน้ำก็คือพวกน้ำลายพวกน้ำ ปัสสวะพวกเลือดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในช่องท้องในที่ว่างนี่คือธาตุลมส่วนธาตุไฟกับไฟทําร่างกายให้อบอุ่นอทําไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟทําทําให้ร่างกายอชุดโฉมกระบวนกวา歪เนี่ยคือธาตุไฟยิ่ในร่างกายของเราเกิดจะเป็นธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เมื่อคนตายธาตุลมกับธาตุไฟมันจะออกก่อนจา ก, กานั้นก็ธาตน้ําอย่างเหลือแต่ธาตุดินก็คือกระดูกเน่าผุลงไปกว่าจะหมดธาตุดินนี่ก่อนออนานนี่แหละร่างกายของคนเราก็มีเท่านั้นมีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแต่พิจนาเป็นกองและเป็นอสุภะก่อนร่างกายของเราเป็นอสุภะทางกอนเี่ยผมเป็นยังไงขนไปนยังไง ถ้าโทลกออกไปแล้วนารักไข่ชอบใจไหมถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นยังไงทั้งของเขาของเราเปรียบเทียบทั้งข้างนอกเปรียบเทียบทั้งข้างในเปรียบเทียบทั้งเขาด้วยเปรียบเทียบทั้งเราด้วยมันเป็นยังไงอันนี้คือการพิจารณาตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเมื่อทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจิตสงบเยือกเย็น พอจิตสงบแล้วเนี่จิตสงบเป็นหนึ่งแล้วถอนจากจิตสงบมามาพิจารณามาพิจารณาแตพิจารณาเป็นธาตุสีก็ได้เพ่งเป็นธาตุสีก็ได้พิจารณาเป็นอสุภะในร่างกายก็ได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้เสมมติว่าพิจารณากระดูกอย่างนี้ร่างกายของเราเป็นมีโครงสร้างคือกระดูกเป็นโครงสร้างเราจะพิจารณากระโหลกอย่างเดียวกระโหลกศีรษะอย่างเดียวเราจะเพิจารณา ทังร่างตั้งแต่กระโหลกทุนจนถึงกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วมือกระดูกแขนกระดูกชี่โครงไล่ลงไปเรื่อย ๆ, ๆกำหนดดูร่างกายร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหน่ารักใครชอบใจไหมหน่าลุ่มหลงไหมแล้วมันจะอยู่ชัวฟ้าดินสลายไหมคลยๆถามตัวผู้รู้คือถามใจ คือถามตัวนามมันถามคือถามตัวเองมันงั้นจ้ะเพราะมันตัวเองมันหลงเลยมันหลงในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวตนของเราถ้าว่าไม่หลงกายรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันตัวเองร่างกายตัวเองจะไม่หลงสิ่งอื่นเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เพศหญิงชายใครก็ตามมันจะไม่หลงเพราะมันรู้ตัวนี้แล้วเห็นตัวนี้แล้ว รู้ตามความเป็นจริงตัวนี้แล้วตัวอื่นก็ออคล้ายๆกับว่ารับรู้รับทรา อ, อทำตามหน้าที่อะไรก็ได้หลงไหลออมัวเมาเออในสิ่งภายนอกถ้าถ้าไม่หลงกายถ้าไม่หลงกายตัวเองถ้าหลงกายตัวเองนั้นนะสิ่งไหนก็เป็นของพิเศษพิโสทั้งหมดจิตเรศราคาโระโศมหโหโลกโกรตรงเนี่ยออยกมาอยู่กับตัวของเราทั้งหมด อในโลกในโลกจั ก, กรวาลนนะึ้นถ้าว่าจะจะได้มันอยู่ในกรร ม, มือของตัวเองทั้งหมดนะั่นแห่ะถ้าไม่หลงกายแนละ้จะไม่หลงสิ่งเหล่านั้นถ้าหลงกายแล้วนะั่นแหะเนี่ยถ้าว่ากายตัวเองเป็นนะเรื่องวิเศษพิโสเป็นเรื่องแท่งทองทั้งแท่งนะร่างกายนะี่แหละนั่นแหละสิ่งเราอื่นมันก็หลงไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายนะเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณากาย รู้เท่ารู้ทันสร้างกายสังขานไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็พิจารณาถึงจิตถึตงตัวผู้รู้นกําหนดถึงตัวผู้รู้เมื่อถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากใจทั้งหมดออกมาจากตัวผู้รู้ทั้งหมดแล้วก็เมื่อรู้แล้วกันนะเอเมื่อรู้ว่าสังขานร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันก็ต้องเกิดความ เมื่อเพิจารณาถึงที่แล้วปัญญาของเราเต็มที่แล้วต้องเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายคลายอคล้ายว่าคลายแปลว่าถอยหลังเอางั้นเห็นตามความเป็นจริงนะมันก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมันก็ปล่อยวางมันวางที่ไหนนะจ๊ะมันวางที่ใจเมื่อวางแล้วจะจิตใจก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสความไม่ยึดมั่นถือมัน่นความไม่ยึดมั่นถือมั่ะคือหลักสูงสุด ในหลักของพุทธศาสนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมแต่คำนี้เราจะไปพูดกับทางโลกทั่วไปไม่ได้พูดเรื่องพระสูตรก็ต้องเรื่องพุทธพื้นพระสูตรพูดเรื่องพระวินัยก็คือเรื่องพระวินยัยอันนี้เราพูดเรื่องป ร, ม, ร, รมัตถธรรมคือร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นธรรมะอันสูงสุดในหลักของพุทธศาสนา แต่อยู่ทั้งโลกเราก็ต้องพูดตามพระวินยัยพระวิ น, ยไไนัยว่าไงจะไปปล่อยวางได้ยังไงจะไปปล่อยอปะละเลยได้ยังไงก็ต้องทํำให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมยังไงตามกฎหมายบ้านเมืองตามระยะประเพณีอันนั้นคือเราพูดตามกฎระเบียบวินยัยเราต้องพูดอีกอย่างถ้าพูดตามพระสูตรเราก็ต้องพูดตามเนื้อหาสาระเป็นยังไงอันนี้ถ้าเมื่อ พูดถึงปรามถาถธรรมทมอันสูงสุดสู่จิตใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือธรรมะในตัวของเราที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วนั่นะนะรู้จักปล่อยวางใจของเราจะได้รับความกลมเย็นยเป็นสุข เมื่อจิตใจปล่อยวางก็ทางรลุดพ้นกจ็จะเข้ามาสู่ตัวของเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะนี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่เบื้องตน้นที่เปรียบเทียบให้ฟังที่ส่งจิตออกนอกทีจจท่ส่งจิตเข้าในที่ส่งจิตพิจารณาที่จิตเท่าเข้าสู่ความสงบนะ่ะอในภาคปฏิบัติเอขอให้หมู่พวกเพื่อนนาไปคิดนําไปพิจารณา ผมเห็นด้วยกับลวงตาที่ผู้วห็สติอยู่กับตัวเองไม่ให้เผลอสติผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่างั้นเพราะเหตุใยผมเคยนำประพฤติปฏิบัติมาแล้วสมัยผมไปเที่ยวทุดงใจของเรามันทำไมมันมันยังเผลอแปบเผลอแบบเผลอวับเผลอแบบทีบบบบบบ่นไีไปอยู่ในป่าแถวจังหวัดเลยน่ะ ที่พักมันก็อยู่ใกล้ริมน้ำแล้วก็ห่างจากถนนใหญ่ถนนก็ไม่ใช่ถนนใหญ่แต่ถนนอรอปชอเนี่ยนะในระหว่างหมู่บ้านตัอหมู่บ้านถนนดินแดงเนี่ยแต่เราแยกเข้าไปอีกห่างประมาณสักเกือบสองกิโลมั่งมันเป็นทางเปี่ยวทางเลสแล้วก็เข้าไปอยู่ติดริมน้ำเพื่อจะอาศัยน้ำอาบสงน้ำเดิมว่มางั้นแหล ะ, ะเนี่ยจะนึกกับไปพาวนาอยู่นั้นตอนเช้ามาื <S <S ้ง เราไปบินธบาทองคเดียวเนี่ยมันทําไมมันเผล่บ่อย ต, ตามไม่จริงมันไม่น่าจะให้เผลอได้นะเอา้าตั้งแต่นี้ต่อไปนะเราจะออกเดินอยองกลมเนี่ยนะเราจะไม่ให้มันเผลนะ่ตั้งแต่ก้าวแรกเลยวนะันนั้นขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทสติกับตเวรมันเผล่แป๊บนึงแป๊บอคนไปภาวนาอยู่แล้วนะ พอไปถึงถนนรอปชอเลยมันจะมีรถจักรยานบ้งมอเตอร์ไซค์บ้างแต่มันก็ไม่มากหรอกในระหว่างหมู่บ้านตอนเช้าอ่อาจจะเดินไปกประมาณสักสามสี่คันนั่นอหลรถ่ะบางทีจะเห็นคนบ้างเห็นอะไรบ้าง อ, อพอมันเห็นปับ๊บใจมันก็ส่งปั๊บออกไปเราก็ดึงปั๊บเข้ามาอีกออให้คลายลมไม่ให้มันไม่ให้มันส่งออกนอกกว่านั้นแต่แค่นี้ก็พอเดินไปเดินไปกับหมู่บ้าน อั้นกัประมาณสักสิเกือบยี่สิบหลังคาเนี่ยที่บินธรบมดามันเล็กๆเหมืนั้นพอเข้าไปวินธรรมดาพอไปเห็นคนเท่านั้นส่งใจโอ้โหบังคับยากเหลือเกินทีนี้มันไม่เห็นคู่เห็นคนเห็นสัตว์สาลาสิงเลยมันจะต้องส่งออกเลยส่งออกรับรู้รับสราบเหนกันอะพอส่งปั๊บไปกระเดึงกลับคืนส่งปั๊บไปกระดับคืนไปบินธรรมดาเดินไปปั๊บให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดทัมืนั้นเลยดึงไปเดิงกลับคืนเดิงกลับคืน ให้มีสติอยู่กับการก้าวเดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเหมือนกันแต่โอ้โหเป็นการบังคับที่ยากเย็นมากในขณะที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านไปเห็นผู้คนไปเห็นสัตว์สาราาสิง์ไปรับบิณฑบาตคนมาใส่บาตรมันก็ไม่กี่คนะประมาณคนใส่บาตรประมาณสิบกว่าคนเองพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมานอกบ้านพอเดินออกมานอกบ้านมันไม่เห็นใคร เจ็ดก็เข้าสู่ความเออยู่เป็นนั ń, ้นได้ขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธเรื่อยมาละบานี้เอเอมีสติอยู่กับแต่มันไม่เผลอไปที่ไหนเลยเอรพะมันไปสู้คนในหมู่บ้านพราแรงอะเรเพราะนี่เดินเดินมาพอมาถึงแยกทางบาัดทางแยกออกจากถนนรอพชรมาทางแยกเข้าไปในป่าอพอแยกเข้าไปนะเราก็เดินพุท พุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยแบบนั้นเถอะพอเดินไปพุโทโธพุโทโธตัวกำหนดดูจิตของเราด้วยพอถึงจุดหนึ่งคล้ายๆว่าวที่ว่างไม่มีคนอะไรบ้างตรงนั้นเป็นที่ว่างเงียบไม่มีคนผ่านแล้วว่างั้นเถอะเพราะมันเป็นมันเป็นทางเฉพาะส่วนตัวของเราล่ะตอนนี้พอก้าวไปตอนนี้นขามันหยุดเองเลยนะดูอัตโนมัติเลยแบบนั้นเถะ แน่แน ma ่ว่าที่ว่าครูบาอาจารย์เหีว่าเดินอย่างกรมมาจิตสงบเนี่ยขามันจะเช็ดเข้ามาตามปกติยืนเรียงกันอ่าอันนี้ก็เหมือนกันพอเช็ดปั๊บยืนพอปุ๊บครูบามันเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งเหมือนนกันในความรู้สึกน่ะมันเหมือนกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งในกระบอกไม้ไผ่นั้นมันมีรูอยู่หลายรูเหมือนกันแต่อใช่ไ้าว่ามีหน้าต่างมีหลายรูแล้วก็เหมือนกับมันมี สัตว์อยู่ในนั้ น, อ, น, น, นอ่กะกระรอกกระแตเน่ยเมื่อเกิดกระรอกอยู่ในนั้นหน่งตัวหนึ่งมัน in, วิ่งเม ว, วิ่งอยู่ในอยู่ในโพรงอยู่ข้างในกระบอกไม้ไผ่เนี่มันวิ่งปุ๊บปุบปบปบ íp, ๊มันวิ่งซองซองดูหน้าต่างเหมือนนั้นเถอะคือซองประตูของมันตัวที่โพรงของมันเนี่ย ท, ที่ที่เป็นรูของมันก ร, กระบอกไม้ไผ่ที่เป็นรูนมันจะซองปุ๊บปุ ак, ป ак, ป ак, ป๊ปุ๊บปุ ак, ปป๊มันโอ้มันมันมันมันมันมันวิ่งอยู่ในนั้นเหมือนนั้นเนี่ยทีนี้เรากำหนดดูเอ้ามันทําไมยุ่งนัก อทำไมมันมันมันทำไมมันมันรุ่งถึงขนาดนี้เออกตรอกที่ตอนนี้มันกำลันอยู่พอวิปุ๊บมันพุ๊บจิตเข้าสู่ความสงบไปเลยนิ่งหยุดเลยบาดสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอะไดจิตเป็นอั้นสติเป็นอะไรจิตเป็นอัน้ะไอไม่รู้สึกว่าเรายืนอยู่ที่ไหนเลยเรายืนอยู่ที่ไหนไม่รู้มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นี่งแต่ก็คงจะไม่นานพอจิตสงบปุ๊บมันก็เลยถอนปุ๊บออกมาพอาะถูกเฮาเรายืนอยู่กลางป่าเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าบ้าเนะี่ยยืนก้าวต่อเร็วงั้นเนี่ยอ้าวเร็วงั้นเนี่ยฮะพุทโธพุทโธใจสบายโอ้โหจิตสงบนี่ออกจากสมาธิจิตโอหรู้สึกว่า น, นี่ความสุขจริงจริจิตไม่หิวไม่หอยไม่ มีอะไรกับเรื่องต่างๆเลยว่างั้นน่ะยี่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างต่้นก็ไปฉันอาหารฉันอาหารกเกิดจะว่าไม่มีรสไม่มีชาติเลยว่างั้นจิตใจเย็นสบายโอ้หลายวันเหอจิตใจสงบอย่างนั้นเย็นอยู่สบายหลายวันทำไมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นในขณะที่แบบเหมือนกระกรอกอยู่ในโพรงอยู่ในกระบอกไม้ไผย ให้เข้าว่ามันวิ่งออกมาสองทางตาประตูเข้ามาเนี่ยใจของเราคือใจของเราเนี่ยเหมือนกับกระรอกมันวิ่งออกมาทางตาประตูเข้ามัเนี่คือทางตามันได้ยินทางหูเข้าใจไหมเอเมื่อได้ยินเสียงเขาพูดอะไรมันก็ออกมาทางหูบางทีถูกกลิ่นอะไรออก้างจมูกเนี่ยมาทางลิ้นทางกายมาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นกระรอกตอนนั้นมันวิ่งลอกอยู่ตั้งตลอดไปแล้วของนั้นะ เพ่งทางตาบางทางหูบางรับรู้รับสราบตุงมเยือวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเถ้าว่าเร า, ม, เรามีสติเอเรามีสติเราจะรู้ได้ว่าเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งทางตาบางท้าไม่เห็นตานปิดคิดเรื่องอะไรทางหูได้ยินเสียงมันมันมันส่งเข้ามาหาใจด้วยเอใจรับรู้อยู่ตลอดเหมือนเกือบจะรอกเลยนะมันวิ่งรับรู้ ร, รับทราบอยู่ตลอดเนี่ย อันนี้พอจิตสงบปุ๊บลงไปให้เข า, ข า, ม, ามันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเทไงนิ่งสงบอนี่แหละเมื่อจิตสงบอย่างนั้นเราจะรู้ได้ชัดเลยเทไงร่างกายนี่เป็นส่วนหนึ่งใจนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกันนมามธรรมกับรูปธรรมเลแปลว่าใจนี่ มาเป็นนายของกายกายนี่คือเป็นกายเป็นลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นผู้บัญชาใจนี่เป็นผู้บัญช า, ญชาแต่ผู้บัญชาแต่นี่ยพอบัญชาไปบัญชาไปลูกน้องดีมากเขเลยติดกายกว่า ต, ติดร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โทุกข์ยากอใจนี่ทุกข์มากเลยทะานี่เพราะร่างกายมันจะจากไปได้อวยข่ามันจะจากไปแล้ว ใจในทุกจริงๆท่านเี่นี่แหละเวลาคนเจ็บไข้ได้ปว่วเท่านจึงว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกายให้รู้เท่าว่ากายอันนั้นคือกายอันนั้นคือจิตถ้าไม่ภาวนาแล้วมันแยกไม่ได้เลยเออแต่ถ้านักภาวนาทั้งหลายถ้าเคยแยกออกภาวนาจิตจนสงบอย่างนั้นนะจะแยกได้ใจเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งเออเป็นคนละอันกันไม่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้มันเจ็บใครได้ปวดจะแยกอกุจะจายไม่รับรู้รับทราบร่างกายจะเป็นยังไงเอาเวทนาก็สักว่าเวทนาะคนตายแล้วไม่เห็นมันเจ็บมันปวดเพราะเหตุอะไรมันจะไม่เจ็บปวดเพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเมื่อไปใจไปเกี่ยวข้องมันให้ความสําคัญมันก็ต้องเจ็บต้องปวดเพราะฉะนั้นให้รับให้รู้ไว้ว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแยกกายออกจากจิตจิตธอรับรู้รับทราบ เอแต่ไม่ไม่เข้าไปแบบไม่เข้าไปให้ความสําคัญมั่ถ้าทําได้อย่างนั้นนะออันนี้แปลว่าผู้ปฏิบัติไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าแยากได้อย่างนั้นแต่ถึงยังไงถึงจะไม่ธรรมดาก็ทําต้องพยายามอพยายามทําอันนี้จะเกิดประโยชน์มากสําหรับพวกเราจะไม่กระสับกระส่ายไม่บุ่ไม่วายถ้าเราทําได้นะสติเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง ผมเองก็ยอมรับเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตะ อ, อกตั้งใจนำทำรรที่ผมได้ให้อุบายแนวความคิดต่างๆข้อนำไปคิดไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพวกเราพวกเราจะจะมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุข้ข อ, อย่างยิ่งพระใหม่ให้ตะ อ, อกตั้งใจ อย่าให้เสียท่าเสียทีระบบทมามีเวลาน้อยก็ให้ทำเต็มความสามารถแล้วกะให้สม่าเสมออย่าได้ขาดตกบกพ่องการพูดการคุยการสนทนากันก็ให้ระมัดระวังอย่าไปส่งเสียงดังแล้วก็การอยู่การฉันก็ให้สารวมระวังให้อยู่ในสมณะสารูปเพราะอยิโยม ผู้มาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็มีหลายระดับมีทั้งโยมใหม่โยมเก่าเพราะนั้นการจะทําสิ่งใดก็ตามผมก็เชื่อมั่นในพวกท่านทั้งหลายที่ว่าได้รับการศึกษามาดีแล้วจากจากทางโลกเพราะเมื่อเข้ามาทางธรรมล้วก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยให้เป็นผู้มาศึกษาและนําตนให้เป็นพระที่ดีให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัย แล้วก็พวกเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันนะในการอยู่ร่วมกันอย่าให้มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันอย่าให้มีเรื่องเราของระแหงกันนี่ให้มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีอะไรก็เอือเพื่อเอื้ออารีต่อกันนะเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ร่วมกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกยบุตรพุทธชิ น, นรดพระพุทธเจ้าพวกเราเป็น สักกะยบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทุกองคุมา ก, กนก็คือลูกจิตลูกคนหัวปีลูกคนจุดท้องถึงจะมีอายุมากก็คือผู้เกิดใหม่ในพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชก่อนก็คือลูกที่บวชเข้ามาก่อนที่เกิดก่อนคือตามอายุพรรษาตามอาวุโสพันเต ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราให้จงอกตั้งใจนะมีเวลาน้อยออกมาศึกษาให้ศึกษาจริงๆศึกษาทั้งภาคปฏิบัติศึกษาทั้งหลักธรรมวินัยศึกษาตามําหรับตําราฟังธรรมเทศนาฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยการฟังเทศฟังด้วยความตั้งใจเดชไม่ใช่ว่าฟังเปิดแล้วก็นอนหลับ เนีเทพเรพูดไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยขาดความเคารพอ่ยเวลาฟังฟังด้วยความตั้งใจถ้าไม่ฟังก็ดับไปซะเนี่ถ้าฟังก็เออตั้งอกตั้งใจฟังนั่งฟังให้ดีอย่างสุสัชรัตเตปัญญ์ผู้ฟังเด้วยดีย่อมมีปัญญาอ่ยถ้าฟังไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจฟังมันไม่เกิดปัญญาเลยเนี่ยถ้าฟังด้วยดีแล้วจะเกิดปัญญาแนวความคิดเนี่ยพวกเรานํา ไปนาไปประพฤติปฏิบัติได้ถ้าเราฟังด้วยดีเกิดปัญญาปรปุงแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าว่าไม่ฟังด้วยความตั้งใจนี่ถึงจะฟังเท่าไรกี่ร้อยกี่พันม้วนก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นฟังเสนาะมันก็ไม่เข้าหูเหมือนกับเป่าปีสีซอใสหูควายนั่นตีกองร้องเป่าดนตรีขนาดไหนมันก็ไม่เข้ามันไม่ได้ใส่ใจ คผมไ ม, ไม่มีปัญญารับฟังเยพวกนั้นพวกเราจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วก็นํามาไตรตรองพิจารณาเหตุและผลแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านกล่าวว่ากรรมาฐานภาวนาให้มีสติอย่างนี้เอเดี๋ยวนี้เรามีสติดีหรื อ, อยังพร้อมหรือย่างสติของเราเป็นยังไงขณะ น, นี้เราได้สติของเรามามากน้อยแค่ไหน เผลอมากน้อยแค่ไหนหรือเผลอเป็นส่วนมากหรือเผลอเป็นส่วนน้อยหรือเผลอเป็นบางครั้งบางคราวมันเผลอแล้วมันไปทางไหนอันนี้ให้สังเกตตัวเองนะถ้าพวกเราสังเกตตัวเองเองไม่อีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยพวกเราก็จะทันจิตใจของเราเองเมื่อทันจิตใจแล้วจิตใจก็จะไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจิตใจก็จะได้รับความผาสุข ทีเดียวเพราะงั้นการพูดของผมในวันนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้